มนุษย์เราต่างจากสัตว์สัตว์เขาอยู่มาโดยธรรมชาติคือเกิดมาโดยธรรมชาติดูดธรรมชาติอะไรๆก็ตามธรรมชาติของเขาไปเรื่ยจนกระทั่งวันตายเขามีธรรมชาติของสัตว์เป็นประจำตัวของเขาแตงสำหรับมนุษย์เราไม่เหมือนสัตว์จึงต้องมีศาสนาเป็นเพื่องปกครอง ถ้าว่าจะเทียบแล้วก็เหมือนกับแปลนบ้านแปล น, นเรือนนี่การผูกสร้างคือจะทำให้มีความแน่นหนามั่นคงให้สวยงามใน ม, มาตรฐานต้องเอาสัยแปลนเป็นสำคัญไม่จะ้ทำเอาแบบสูงสี่สงห้าเหมือนอย่างสร้างวัตถวัต่อบันตะเพราะอันนี้มันเป็นอีแบบหนึ่งแต่การสร้างให้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 ความเป็นอยู่ของคนหมู่มากเพราะมนุษย์เราอยู่ลำพังคนเดียวไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ต้องมีหมู่มีพวกมีเพื่อนเป็นธรรมดาตั้งเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตาบลหมู่บ้านองเภอจังหวัดจะอยู่โดดเดี่ยวโดวยลำพังไม่ได้เพราะมนุษย์เรามันขี้ขรับเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วถ้าหากไม่มีกฎหมายม้านเมืองไม่มีสิ่งทำเป็นเครื่องปกครอง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 ให้แก่ผู้อื่นเพื่อความสุขสำหรับตนเองซึ่งไม่ถูกกับลักษณะของมนุษย์ผู้มีความฉลาดนั่นเลยกานมีศาสนาก็คือการมีการเทียบเทียมทดสอบในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันว่าอันใดถูกอันใดผิดอันใดถูกใจเราผิดใจคนอื่น อะไรเป็นความกระทบกระเทือนไม่กระทบกระเทือนนี่เราหมายถึงส่วนรวมคราหมายถึงทั่วๆ่วไปต้องมีคนหมายบ้านเมืองและศีลธรรมเข้าเป็นเครื่องปกครองไม่เช่นนั้นโลกก็ร้อนศาสนาถึงเป็นความจําเป็นที่มนุษย์ต้องนับถือกัน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 ตามพื้นเพของจิตใจผู้ปฏิบัติมีสูงมีต่ำและมีสูงสุดตามแต่ความสามารถของผู้จะผู้ปฏิบัติจะได้มากน้อยเพียงไรอย่างน้อยเรามีศีลห้าเราก็ยังดีมีความร่มเย็นเป็นสุดจากนั้นผมมีการเจริญเมตตาพร น, นาการทำบุญให้ทาน พอสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของมนุษย์แจะต้องทําทั้งนั้นเป็นกิจจําเป็นสําหรับมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากจะต้องมีการสงเคราะห์สงหาซึ่ง ก, กันและกันและมีความเห็นอกเห็นใจให้ความเป็นใหญ่ให้สิทธิแก่กันและกันโดยสมบูรณ์ต่างคนต่างให้สิทธิต่างทานต่างให้ความเป็นใหญ่ในเขาและสมบัติของเขาเป็นธรรมดาเช่นเดียวกับเราเราเช่นเดียวกับเขา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 อันนี้เป็นสิ่งที่กระเทือนจิตใจมากแต่พ่อย่างยิ่งการต้นการที้ น, นี่เป็นส่วนใหญ่มากทีเดียวการขโมยยันเป็นอีกอย่างสมบัตินั้นก็ไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่สาคัญที่คุณค่าของใจได้เกิดความกระทบกระเทือนและเสียหายไปมากมายอันนี้ท่านใรักษาทั้งสองอย่างคือรักษาทั้งสมบัติ ด, ด้วยรักษาทั้งด้านจิตใจของกันและกันด้วย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 คือเราไม่เห็นความสำคัญของสิ่งต่างๆและของตัวเองนั่ น, น, นแหละถึงได้เห็นว่าศาสนามาเป็นของสำคัญแต่เรายังเห็นว่าเราเป็นมีความสำคัญเห็นคนอื่นมีความสำคัญเช่นเดียวกับเราแล้วศาสนาก็เป็นความสำคัญเพราะสอนให้คนเห็นความจริงความสาคัญด้วยกันทั้งนั้นการเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาะ นี่กว่าเป็นบุญยราบของเราที่ไม่ได้พบศาสนาเลยนั่นน่ะมันมีจานวนไม่น้อยมีมากมายกลายกองไม่ทราบว่าพูธไปยังไงทำไปยังไงสงไปยังไงสาระอันสําคัญของจิตใจไม่มีเลยพออยู่ไปวันหนึ่งกินไปวันหนึ่งนอนไปวันหนึ่งอาศัยด้านวัตถุพอให้เพลินไปวันมุมวันหนึ่ ง, นนงจิตใจหาสิ่งที่จะสุ้มทราบ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 ร่างกายของเราอยู่ได้ด้วยวัตถุเป็นบ้านเรือนเป็นต้นจิตใจของเรามีความร่มเย็นได้ด้วยศีลด้วยธรรมถึงควรมีศีลมีธรรมคือพึงงามความดีที่เราจะพึงอบรมสั่งสมขึ้นให้มีมากๆเพื่อจิตใจจะได้มีหลักฐานเป็นเครื่องยึดถึงชื่อประจําจเป็นด้วยกันทั้งสองอย่างแต่พราะอย่างยิ่ง ใจเป็นสิ่งสำคัญมากควรจะมีหลักยึดของใจเพราะใจวอกแวกคอนแครงเนื่องจากหาหลักยึดไม่ได้ถึงสิ่งภายนอกจะมีสมบูรณ์บริบูรณ์เพียงไรก็ตามจิตใจเมื่อขาดคุณงามความดีขาดศีลทาเป็นเครื่องอบรมเป็นเครื่องทําให้ชุ่มเย็นแล้วจิตใจก็ร้อน ร้อนทั้งทั้งที่มีความรู้ความฉละร้อนทั้งทั้งที่มีสมบัติมากร้อน ท, ท, ทั้งทั้งที่อะไรแล้วก็ไม่อดอยากขาดแคลนทางด้านวัตถุแต่ความร้อนของใจจะร้อนอยู่ไม่ลดละเพราะขาดอาหารภายในใจขาดเครื่องบำรุงภายในใจใครจะมีความเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในโลกทั้งสามนีปรากฏว่าไม่มีเลยพระพุทธเจ้าทรงทราบ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 อดีตที่ผ่านมาแล้วก็ได้จากความเกิดแก่เจ็บตายมาในภพนั้นๆจนมาถึงปัจจุบันในฐานะที่เป็นอยู่เวลานี้ความสุขความทุกข์ก็ทราบกันอยู่ตามเหตุปัจจัยที่มันหมุนอยู่เสมอให้เกิดสุขบ้างทุกข์บ้างดังที่เราท้าท่าวันอยู่เวลานี้และอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้ามีอะไรเป็นหลักของจิตใจที่จะสื่ภพสู่ชาติไปด้วยไปได้ด้วยดีมันมีความทุกร้อน พระพุทธเจ้าเขาทรงทราบและทรงสั่งสอนให้บำเพ็ญสาระอันสำคัญคือพลัององดีไว้สำหรับใจใจจะได้มีความร่วมเย็นเป็นสุขจะเกิดในภพใดชาติใดก็เป็น ส, สุขติสุขติสุขโตไม ว, ว่าจะเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่ทรงสั่งสอนไว้ในโลกในยุคนั้นนา ทรงสังสอนกันแบบเดียวกันในโอวาตปาติโมท่านสอนว่ายาะยาะว่าสัพปะภาษาอการนั่งการไม่ทำชั่วอันจะให้เกิดความเสียหายทั้งปวงหนึ่งกูจะสู้กูจะสู้ประซึมประธาหรือกูจะสู้ประซํม ป, ประดาการยังกูสนคือความฉลาด ในทางที่ชอบให้ถึงพร้อมหนึ่งสกิจตประโยะปรปะนังการทําจิตให้โปร่งใสหรือเบอิสุดหนึมีหลักใหญ่ของศาสนาเตตังมุธาน า, าสาธนาอันนี้เหล่านี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งปวงหรือทั้งหลายมีหลักใหญ่ของศาสนาท่านสอนเป็นแบบเดียวกันทกิเลสหรือสัตว์โลก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 เราก็ไม่แน่ใจในตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าหากตายแล้วจะไปยังไงจะไปสุขไปทุกข์ไปคติใดจะเกิดเป็นภพอะไรบ้างเป็นสัตว์หรือบุคคลชนิดใดเราไม่อาจทราบได้การไม่อาจทราบได้นี้เราก็ไม่ควรเสี่ยงตอบความไม่ทราบได้อยู่เสมอไปจึงควรสร้างความแน่ใจ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 สิ่งสมควรอย่างยิ่งก็คือเราพยายามทำเสียตั้งแต่แ บ, บัดนี้ไม่มีใครที่จะพูดให้เป็นที่เชื่อถือแล้ถูกต้องแม่นยำน่ายิ่งกว่าพระพุทธเจ้าคนพูดกันทั้งโลกมีความรอมแฝงไปเรื่อยส่วนมากพูดด้วยความสุ่มเดาไม่ค่อยไม่ได้พูดด้วยความจริงจังออกมา เพราะตามคนต่างไม่รู้จริงเห็จริงเจ้าความจริงมาพูดอย่างอาถานได้อย่างไรส่วนพระพุทธเจ้าในธรรมทุกบททุกบาทที่ประทานวันนี้วนแล้วตั้งแต่ทรงทราบโดยเหตุดยผลไปจากพระทยแล้วจึงได้นามาสั่งสอนสารโลกคำสั่งสอนนั้นจึงเป็นที่แน่ใายได้ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระ องศ์สอนไว้จึงเป็นผู้แน่ใจในตนเองไปด้ด้วยจนกระทั่งแน่ใจที่สุดหาที่สงสัยไม่ได้เลยเมื่อถึงขั้นแน่ใจแล้วเป็นอย่างนั้นนี่แหละความดีเป็นที่แน่ใจได้อย่างนี้สาหรับผู้ปฏิบัติบาเพ็ญเพราะว่าคำสอนจึงเป็นที่แน่ใจสาหรับโลกทั่วๆไปถ้าไม่มีมารเข้าบดลมนนานใจ ตัวเห็นสิ่งที่แน่ใจนั้นว่าเป็นของไม่แน่ใจไปเสียสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยนั้นเข้าใจเป็นของดีเลี้ยวป้าเอามาปั๊เผาฐานตนเองนั้นเก้าม่มีใครช่วยได้เรี่ยวกว่กรรมของสัตว์นีเราทั้งหลายทราบอยู่ด้วยกันว่า ด, ดีชั่วบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานเป็นของมีมาดั่งเดิม ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เศษสรรขึ้นมาเฉยๆเป็นสิ่งที่มีมาดั้งเดิมแล้วพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนตามสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิมไม่ใช่จะมาเพื่อมาถอนมาปรุงมาแต่งเอาใหม่ค่างๆที่สิ่งนั้นไม่มีแล้วมาปรุงแต่งให้มีอย่างนี้ไม่มีเลยโอวาทคำสัสอนของพระพุทธเจ้าเห็นคำว่าบาปก็หมายถึงความเศร้าหมองผลก็คือความทุกข์ถ้าว่าว่ามันไม่มีสารโลก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 นั่นก็เป็นสถานที่อยู่ของศรรัตว์ผู้อยากช้าลามุกสวันเป็นสถานที่อยู่ของผู้มีความดีเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วเช่นอย่างเรือนจําเป็นสถานที่อยู่ของใครฉะนั้นโลกนี้ก็ยังมีเรือนจําเป็นสถานที่อยู่ของใครสถานที่ดีกว่านั้นก็มีเยอะอย่างที่เราเห็นนอกจากเรือนจําไปแล้วก็ดีๆกั น, นไปนั้นไม่ได้ถูกกักขงังไม่ได้ถูกทําโทษทํากรรมอะไรมันต้องบังคับบัญชาแบบนัโทษ เราก็เห็นกันดูเพียงโลกนี้เราก็เห็นทำไมโลกอื่นจะไม่มีเมื่อโลกนี้มีโลกอื่นก็มีวันนี้มีวันอื่นก็มีเนี่ยมันเป็นของคู่เคียงกันมาอย่างนี้แต่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นที่จะมีเพียงอะไรก็ตามสายตาเราสั้นเพียงจะมองดูความดูคามดูหนามมันก็ยังไม่เห็นยันงไปเหยียบเอาจนได้หัวต่อเดินเดินไปมันก็ยังไม่เห็นโดนเอาจนได้จนเท้าแตกเนี่ยที่ดูสิ ขณะที่โดนขนาดที่เหยียบเราก็ต้องเข้าใจว่าสิ่ง น, นั้นไม่มีแต่ความไม่มีนั้นลบล้างกันได้ไหมเวลาเดินไปเหยียบเอาเนี้ยน้ําตักด้วยปากมันก็ปากเพราะสิ่งนั้นมีอยู่ก็เหยียบขูมมันก็ปาไปโดนหัวตอก็ท่าแตกจนได้ทั้งๆจริงว่าหัวตอไม่มีนี่แหละเราคิดดูสาตาเรามั น, นสั้นๆอย่างเนี้แหละเพียงแต่มองดูหัวแม่เท่าของตนมันก็ยังไม่ทั่วถึงยังต้องโดนขวากโดนน้ํา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 ตามภาษีภาษาเขาตาไม่เห็นแต่คนตาดีแล้วไม่โดนนอกจากจะเผลอตัวไปหรือประมาทดังที่ว่านี้่เปียกความเหยียบน้ําน่ยคนตาดีเยียมได้ในขณะที่เผลอขณะที่ไม่เห็นแต่คนตาบอด น, นี่เห็นไม่เห็นก็ไม่คาดละเพราะมันมืดอยู่นั่นตลอดเวลาอันแล้วผ่านหน้าเป็นเอากันทั้งนั้นไม่ถอยแบบโดนดะโทนด่าไปเลยเพราะไม่เห็นจะทํทาังไง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 หากกรรมดีก็พยุงคงเสริมให้ไปในทางที่ดีเสมอพวกเกิดที่เกิดไม่รู้เรื่องมุราเกิดไม่มีความสามารถอ่านรูปด้วยญาณในนี้มันแบบเกิดดะดะไปเลยทุกจะมีทุกจะมีอะไรไม่ทราบว่ามันจะมีมาเมื่ อ, อไหร่แม้แต่มาเกิดนี่ก็ยังไม่ทราบว่า ม, มาจากพบอะไรที่ดูสิเราเป็นนักพบ นักชาตินักเกิดนักตายอยู่แล้วยังไม่สา ม, มารถที่จะทราบเรื่องของตัวเองได้เราจะพูดไปถึงข้างหน้าอะไร <c oughs> อะไรที่จะเป็นเครื่องให้เราเป็นที่แน่นอนใจเราจึงควรสร้างเสียตั้งแต่บันี้การไปแบบสมฉิมเดาๆดาเปิดแบบสมฉิมเดาๆดาๆทัางๆที่ไม่แน่ใจตัวเองความเป็นอยู่ก็ไม่แน่ใจนี้เราจะพยายามอยู่กับ หรือนอนใจอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ถูกสมกับมนมุษย์เป็นผู้ชนาดะคือไม่สมเหตุสมผลกันแต่พราะอย่างยิ่งการผิดคดํคดาดีความเจริญชนะชะขึ้นภายในใจด้วยกิจตะภาวนานี่เป็นสิ่งสำคัญมากอาจมองเห็นได้ว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีผ่าน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 ที่ชั่วมันก็ไปลงนรกแน่มันก็ผิดกันที่ไหนมันก็เหมือนๆกันอันทรายอยู่ภายในใจเมื่อเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปสิ่งที่ปิดบงังจิตใจค่อยหมดลายจางไปตามไปความสว่างกระจ่างแจ้งสามารถที่จะมองเห็นในสิ่งต่างๆได้โดยลําดับลำดับนจนเต้นภูมิของจิตจะไ่เกิดที่ไหนก็ทราบอยู่ในฐานะของจิตในขั้นภูมิของจิต จะไม่เกิดก็ทราบตามขัน้นผุมงของจิตว่าหมดเชื้อแล้วไม่มีทางที่จะเกิดต่อไปอีกแล้วก็ทราบเมื่อถึงขั้นจะทราบล้วปิดไม่อยู่เนี่ยท่านจึงสอนให้อบรมจิตจิตนี้เป็นตัวรู้ตัวฉลาดแหลมคมมากถ้าสอนให้แหลมคมถ้าอบรมให้แหลมคมมีความเฉลียวฉลาดมีความสามารถมากกว่าสิ่งใดในโลก แต่เราไม่ได้อบรมตั้งสอนจิจตจ น, นเป็นเรื่องอาภาพัพเย็นจิตอาภาัพอยู่ตลอดเวลาเืนเดินนั่งนอนอาภาัพทางนั้นเพราะสิ่งอาภาัพมันปกติ ก, กำบังมันเนี้อมน้าเหนือกว่าจิตก็เลยกลายเป็นของอาภาัพไปตามๆกันจึงต้องอบรมสติปัญญา <c oughs> ในจิตมีความสงบลมเย็นเพียงสงกภายในใจเราก็เห็นคุณค่าของใจ สงบมากก็เห็นมากรู้มากเข้าใจมากแล้วผิดทางปัญญาพิจารณาดูในโลกกระถาอันนี้มันไ ม, มีอะไรที่จะควรเปิดเพลินรุ่นลงอะไรไปนักหนาเดินตอนี้ก็มีป่าช้าของสัตว์ทั้งเขาทั้งเราเตินไปด้วยนิจังทุกข์องนาตาเข้าในบ้านก็เยยินบนออกนอกบ้านก็ยิ่บนเข้าเมืองก็ยินบน เจ อ, อไปทุกแห่งทุกหนเรื่องความทุกข์ความทรามานของสัตว์ของคนมีอยู่ทุกแห่งทุทกแห่งทุกหนตําบลหมู่บ้านเราจะสงสัยที่ไหนถ้ามีความสุขความสบายน่าต้องมีอะไรมาก่อกวนวุ่นวายให้รับความขขาทุกขความลาบากนอกจากเราสร้างจิแต่พของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นด้วยศีลด้วยธรรมเท่านั้นเนี่ยเป็นที่ปลอดภยัยร้ายทุกอยู่ที่ไหนก็ไม่มีอะไรมากวนอันนี้เป็นจุดสําคัญมากเมื่อสร้างอันนี้ให้เต็มภูมนะิแล้ว มันก็เย็นคิดว่าจะทานที่นั่นเป็นยัง ไ, ไงจะทานที่นี่เป็นงไงเพราะความเย็นอยู่กับเจ้าของความถูกอยู่กับเจ้าของหลักลำใหญ่อยู่กับเจ้าของแล้วพม่ามาสร์จะไปหาจะคุกเงาที่ไหนกันตัวจริงมันอยู่กับเราเรารู้อยู่เห็นอยู่ครองอยู่ด้วยแล้วเราจะไปจะคุกเงาหาอะไรนี่แหละธนว่าการสร้างตัวในทางด้านธรรมะสร้างตัวอย่างนี้สร้างตัวทั้งโลกก็ดังที่เรา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 อันเป็นว่าเป็นประจำนุญตา ม, คำคำมากรรมทำนามวาสนาเนี่ยมองเห็นกันไม่ได้หีบอยู่อย่างลึกลับภายในจิตใจใพยายามสร้างตัวให้ดีสร้างให้มีความแน่นหนามั่นคงเอาให้เห็นประจกักษ์ทำมาพุทธเจ้า ส, สอนให้รู้ให้เห็นประจักษ์ในสิ่งที่มีอยู่รู้อยู่แก่สิ่งที่มีอยู่รู้อยู่อันไม่ดีนี้ ก็จะปรากฏสิ่งที่มีขึ้นมารู้ขึ้นมาภายในใจิตใจอันเป็นความดีัองทาให้ใจสงบลองดูใจสงบกับใจไม่สงบผิดกันอย่างไรบ้างความสงบของใจเกิดขึ้นมากน้อยความถูกแล้วไม่ต้องถาม เพราะปราศจากสิ่งกอบควรในเวลานั้นจะมีความสุขเบาไปหมดทั้งใจเนี่ยเบามากจนน้าตากุบปั้กายมีในความรู้สึกเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนเหมือนอยู่อวกาศลรเหมือนอยู่อากาศกลางขาวไปอย่างนั้นมั่นแหละจิตสบายจิตปล่อยวางทั้งหมดในขณะนั้นนีเคลือดสงบตเต็มที่เป็นไม่ทราบตนอยู่ที่สูงที่ต่มและอยู่ในที่เช่นไร นั่งอยู่หรืนอนอนดยูมไม่สนใจทั้งนั้นตากฏแต่ความรู้ล้วนๆซึ่งไม่มีรูปไม่มีลักษณะอะไรตากฏเลยเป็นแต่ความรู้ล้วนๆถ้าว่าจะพูดลักษณะก็มีแต่ความสว่างสวายตากฏอยู่ภายในตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่อัศจ ร, รย์ทิดกับสิ่งทั้งหลายที่เคยผ่านมาในโลกนี่นี่ของความสงบมากความสว่างความสุขมานอย่างนี้ จิตดวงนี้แหละดวงเมื่อมืดดำดำที่เราตำหนิอยู่ทุกวันนี้แหละเพราะความมืดดำนั้นไม่ใช่จิตทพานสิ่งปิดบังต่างหากเหมือนอย่างไฟฟ้าเราเนี่ยเราเอาแก้วครอบดำดำมาใส่พี่มันก็ดำเอาแดงมาใส่ก็แดงเอาขาวใส่ก็ขาวเนี่ยไฟมันเป็นไฟอยู่ย อ, กก อ, อย่างนั้นแหละจิตก็เป็นจิตอยู่อย่างนั้น แต่เมื่อสิ่งที่ดําสิ่งที่มองหมองเขาไปแทรกไปป ก, ปกปิดกําปิดกั ม, มังเอยใจมันก็เหมือนว่ามันเข้ามันหมองมันดำไปหมดความกิงก็คือสิ่งนั้นทาให้ดำาชละสิ่งนี้ออกแล้วปิดก็สว่างสบายออกมาจนกระทัง่งถึงเต็มที่มันมีลายติดข้องในโลกธาตุผ่านทะลุไปหมดนะอะไรจะแหลมผมกี่หัวใจวถึงขั้นเนื้อหน้าทเนื้อหน้าอย่างนั้น สาระสำคัญจึงมีอยู่ใจนี้เท่านั้นพยายามบำมุมงนี่แหละเชื่อที่จะไปะเกิดครบหน้ากับคุยใจตรงนี้พยายาม ส, า ร, สร้างให้การแสดงธรรมพเห็นว่าสุควรเอาละปิดกันทีนี้พริหมดนะตับนะจับ